แต่ว่ามาโนโมายติคืออะไรนั้นอาตจจมาจะไม่ขออธิบายเพราะความเข้าใจในเรื่องมโนโมายธิขอออกตัวว่ายังไม่เข้าใจแต่วิธีการที่จะทำให้คนไปดูลำโลกดูสวรรค์ได้นั้นเข้าใจและเคยทำมาแล้วและบางทีอาจจะทดลองดูก็ได้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 แล้วนำผู้ที่จะให้นั่งภาวนานั้นไหว้พระอรหังสวาขาโตสุปฏิปันโนนำว่านโมตรัสแล้วก็เอาดอกไม้ใส่มือให้เขาปนมเอาไว้อย่างนี้แล้วก็บอกเขาว่าโพทธททีปังกะโลโลกะทีปังอากาสะกะสินังวิโสทยิ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 คนทุกวันนี้ส่วนมากมันไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีะฉะนั้นถ้าใครจิบเอานรกมาตีแผ่ให้เขาดูได้เชิญเลยจะเป็นประโยชน์แก่สังคมไม่น้อยทีเดียวสำหรับการกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของรบรรดาท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาการพูดมากก็โกหกมากการพูดมากก็ผิดพลาดมาก ดังนั้นอะไรที่มีความผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องอาตมะก็ถือโอกาสนี้ขอภัยท่านผู้ฟังด้วยหากว่าสิ่งใดพอที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติก็ให้น้อมไป พ, พิจารณาแล้วก็พยายามภาคเพียนปฏิบัติตามบางทีก็จะเกิดผลแก่ท่านผู้ปฏิบัติบ้างตามสมควรในท้ายที่สุดนี้้วยอานาจแห่งคุณพระสีรัตนยัย คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์จงช่วยเป็นสื่อตนบรรดาจิตใจของทุกท่านให้ดำเนินเข้าไปสู่ความตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเขียนจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงสามารถที่จะละกิเลสทันเป็นสิ่งซึ่งเป็นข้าศึกรบอวนความสุขภายในจิตใจให้จิตใจบรรความสงบสว่าง แต่บรรลุผลสําเร็จคือมาผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเถิดก็องค์ประกอบของการทําสมาธินี่ในเมื่อสมาธิเริ่มเกิดขึ้นเท่านั้นแหละกายก็เบาจิตก็เบาถ้าสมาธิอันใดนี่เรานั่งสมาธิอยู่ตลอดเกินย่างลุ่งตลอดวันย่างคําในเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วเมื่อยยังกะวิ่งมาทั้งหลายกิโลกิโลเนี่ยนั่นใช่ไม่ได้ ออกมาแล้วต้องเบานั่งสมาธิไปดูนระกดูสวรรค์อะไรพวกนี้อยู่ในลักษณะของการสะกดจิตการสะกดจิตมีหลายแบบสะกดด้วยคาถาอาคมสะกดด้วยอาถรรพ์ของวิชาทายาโจมอยากจะเป็นนักสมาธิที่ถูกต้องอย่างดีนั้นเวลาเรียนสมาธิอย่าไปขึ้นครูกรรมาฐาน ถ้าเขอนไปเคลื่อนครกรมาฐานแล้วจะมีอาฐานครอบเหมือนกันกันกบเรียนมนต์ไยศาสตร์ภาวนาแล้วจิตจะไม่เป็นตัวของตัวคล้ายๆกับถูกอํานาจอย่างใดอย่างหนึ่งข่มหรือสะกดให้เป็นไ ป, ปราพุทธระธรรมประสงค์หรืออารมณ์ของกรรมาฐานที่เราใช้เป็นคู่ของใจนี่เป็นแต่เพียงเป็นสื่อสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอานาจเหนือจิต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 ในตอนบรรยายอาตมาได้ออกตัวเรื่องมโนโมายธิที่ยังไม่เข้าใจยังไม่ชานิชานาญแต่จะเอาประสบก า, ารซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจมาเล่าสู่ฟังบางที่อาจจะพอเปรียบเทียบกันได้บางเคยในบางครั้งเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปแล้วเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิในขณะที่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 ถ้าใครทําได้แล้วก็จะถือว่าเป็นมโนโมยดิที่ก็<ม>อพอที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบได้เป็นแนวทางได้เมื่อผู้ทําได้นั้นฝึกชำนิชำนานขึ้นมาแล้วจิตของเขาก็อาจจะพ้นจากภาวะที่ถูกสะกดไปเองแล้วจะกลายความเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสมรรถภาพของจิตที่ฝึกชำนิชำนาญแล้ว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 ถ้าใครสามารถภาวนาให้มีจิตเป็นสมาธิรู้ธรรมเห็นธรรมอยู่ในบ้านของตัวเองจะมีพระปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านทุกวันถ้าใครภาวนาธรรมจิตให้สงบได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้อยู่ภายในบ้านจะมีคุณค่าดียิ่งกว่านิมนต์พระไปสวดมนต์ตั้งหมื่นหมื่นองค์แนะนําให้เขาทําอย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาว่าไม่มีเวลาจะไปวัด ยิงอยากจะให้ทุกท่านสร้างวัดขึ้นภายในห้องนอนของตัวเองทีนี้บางคนเขาก็คัดค้านว่าท่านไปสอนคนให้เขาทําอย่างนั้นเพื่อเขาได้รับความสบายภายในบ้านเขาแล้วเขาไม่มาทําบุญกับท่านท่านจะไม่อดเลยถ้าจะมาบอกว่าไม่มีทางยิ่งจะมากขึ้นกว่าเขาหลังจตกจากที่ไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็แผ่เมตตาเจ การแผ่เมตตาเนี่ยเราจะนึกว่าสัตว์ผู้มีชีวิตซึ่งเป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีสุขกายสุขใจ <c oughs> แค่นี้ก็เป็นการแผ่เมตตาแล้วพ <c oughs> อหลังจากนั้นก็นึกในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็กำหนดรู้ลงที่จิตนึกในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในจิตใจนั่นแหละ ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนึกพุโทโธได้ตลอดเวลาการรวมทำมุีขอเอิญนสวดมนี่เราจะได้สวดได้เพียงใดแค่ไหนไม่สำคัญแม่จะได้แต่เพียงน้โมตัสสะพระคัมภโตจบเพียงแค่นั้นก็สวดอยู่เพียงแค่นั้นแหละแล้วก็สวดด้วยความมั่นใจ เป็นอุบายสำหรับอบรมจิตใจเป็นอุบายกระตุ้นความรู้สึกให้มีความตั้งมัน่นลงในคุณความดีทีนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือคุ ณ, ณธรรม <c oughs> อย่าไปน้อยอกน้อยใจผู้ที่ท่องสวดมนต์ได้ไม่มากเนยอย่าไปน้อยใจ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 อันเดียวนี่เลยมันจะเป็นได้ทั้งสมาถะาวิปัสสนากรรมฐานถ้าจิตมันมองเห็นว่าหัวแม่มือนี่เป็นหัวแค่นี้มันก็เป็นสมาถะากรรมฐานถ้ามันว่าหัวแม่มือนี่ทำไมคดคดเคี้ยวเขยวเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแปล ง, ปงอะไรได้กระดิกได้มันก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานแล้วอย่าไปคิดอะไรให้มันยุ่งนักก็พอจบลงแค่นี้